ภาชนะที่รองรับองค์ธรรมนะอันนั้นไว้เรื่องว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนี่แหละความตั้งมั่นของจิตนี่แหละได้รวมมาองค์ธรรมฝ่ายกุศลนี่นะให้เข้ามารู้นิพพานพร้อมๆกั น, นรู้มรรคผลนิพพานพร้อมๆกันเรืแจมแจ้งขึ้นทีเดียวนในขณะจิตเดียวนั้นฟังเหมือนยากนะไม่ยากเลยทําต้นทางให้ได้มันยาก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 รู้ด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ากายนี้เป็นไตรลักษ์ใจนี้เป็นไตรลักษ์นี่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยสติอย่างเดียวหลายคนภาวนามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษ์เช่นไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจจิตก็นิ่งนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่เห็นเลยว่ากายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เห็นเลยว่าจิตที่ไปร rim, ปไู้ร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรา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 อย่าอยากนะถ้ามีความอยากแทรกมาไม่ได้ alors, กินกิเลสเอาไปกินหมดให้รู้เล่นๆไปถือว่าทุกวันเราจะต้องปฏิบัตบิบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะตอบสนองอัตราตัวตนของเราแต่เราปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านยกย่องผู้มีสติเราจะมีสติถาวายท่านท่านยกย่องผู้มีใจตั้งมั่นเราจะมีใจที่ตั้งมั่นถวายท่านท่านยกย่องผู้ที่เจริญปัญญาอยู่เราจะเจริญปัญญาตามท่าน เราจะเป็นสาวกที่ดีเชื่อฟังคําสอนของท่านเหมือนลูกที่ดีเชื่อฟังคําสอนพ่อแม่เนะนี่ยเราต้องทําตัวอย่างนี้นะส่วนจะได้มรดกของพ่อแม่เมื่อไหร่นะั้นะไม่ต้องกังวลหรอกทําตัวเป็นลูกที่ดีนะวันหนึ่งจะได้มรดกของพ่อแม่ <c oughs> เราเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าเราจเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปนะวันหนึ่งเราจะได้มรดกของท่านคือธรรมะนั่นะเองธรรมะนี่เป็นมรดกกองใหญ่นะท่านอยากแจกมากเลยแต่ไม่มีคนเอา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 แต่ขันมีอยู่ไหมขันมีอยู่ขันที่พระละหันคลองอยู่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะพระละหันยังร่างกายของท่านยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่เห็นไหมยังหิวยังหนาวยังร้อนะยังกระหายยังเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จิตที่ไม่ครองขันแล้วเนี่ยไม่ทุกข์น ะ, ะเทศพอสมควรส่งกันบ้านต่อชาวเชียงใหม่เหลือสองคน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 นักนักสการหลวงพ่อคะ่ะคือหนูพี่ดูเอาได้ยังว่า ม, มันมีตัวเรากลับมาใช่ค่ะหนูเห็นตัวเราที่หลวงพ่อบอกมันเป็นเงาเงาอยู่ตลอดนะคะ<ช>แล้วพอจิตมันเห็นตัวเราตัวเราแบบแค่มันผุดไปคิดก็เห็นแล้วะค่ะใช่นั่นแหละดีแล้วก็เห็นอาการถลำที่หลวงพ่อบอกค่ะคือเห็นชัดมากแล้วแบบบ่อยครั้งมากขึ้นนะคะว่าถลำไปเนยแล้วก็พอจิตมันไหลไปคิดมันก็ดับให้เห็นอย่างเหมือนแบบรอยต่อได้ชัดไงคะ<ช>่ะ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 นะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คอยตามรู้ไปเรื่อยๆขอบคุณค่ ะ, ะคนนี้นะของคุณนะ<อ>เดี๋ยวเรามาคุยกับพระองนี้มาจากขขอังกฤษค่ะับพอดีอคนนี้ชื่อลินดาเป็นลูกสาวเจ้าค่ะ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 อ๋อมันก็ยุกก็ยิ๊กก็ยุกกยิกได้น ะ, ะก็รู้มันไปมันเป็นไงก็ได้บางทีก็เป็นก้อนก้อนหนักหนักทีก็เบาเบาางทีก็ร้อนร้อนบางทีก็เย็นเย็นบางทีก็ขยับไปขยับมานะแค่รู้เท่านั้นแหละแล้วเราอีนิดแถมอีกนครับหลังจากที่ปีใหม่มานะครับที่ผมผมมันเพ่งเนี่ยแล้วผมเพ่งน้อยลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่